ถ้าต่อนี้ไปตั้งใจฟังธรรมฟังเทศวันนี้เป็นวันสนทสังเวทใจสวัสังเวนยกถาคุงพ่อจะได้กล่าวสังเวทในยกถาวันนี้เกี่ยวกับการมรณะภาพของหลวงพ่อไพศาลปุญญเสรีประวัติของหลวงพ่อไพศาลปุญญเสรีวันนี้นะ หลวงพ่อไพศาลฟังดูแล้วก็ท่านก็บวชมา30สกว่าพรรษาแล้วก็อายุของท่านก็มาก79ปีเนีย่ยพูดแบบท่านสั้นนะแต่ว่ามียังไม่เต็มดีว่างั้นจะยังขาดเดือนนิดหน่อยพูดให้เต็มชัดเจนก่อนคือท่านเกิดมา79ปีก็รู้สึกว่ามากพอสมควร แล้วก็ท่านก็บวชมาอีกหลายปีอีกท่านก็เลยมาอยู่ที่วัดโปกสาครนซากจากสมพานมามาอยู่สองปีท่านหลบมาหาวิเวกเนี่มาอยู่เห็นป่าท่านก็ชอบใจแต่ท่านอยู่ในเมืองในกรุงนะจากนั้นท่านก็หลบมาอยู่ที่นี่แต่ตกหน้าแรงท่านก็กลับไปวัดเก่าของท่านแถบปฐุมธานีเ่อ้ท่านก็ไปไปมามาท่านก็เป็นผู้ใหญ่แล้ว ท่านจะไปท่านจะมาพวบพระทางสมพารวัดก็ไม่ได้สนใจเพราะท่านอยากจะมาอยู่ก็เอานิมนต์ท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วพักตามสบายสบายของท่านนะแต่มาถึงคราวนี้ก็ถึงคราวมรณะภายัยมรณะภาพเข้ามาถึงจะทำยังไงได้ถ้าอยู่ในโลกใบนี้แล้วถึงจะอยู่ในกลางมหาสมุทรอยู่ใน ท้องฟ้าอากาศอยู่ในหุบเขาหุบห้วยหาวเขาลาวเขาไหนอยู่ในหลืบเขาไหนก็หนีจากมรณะภัยไม่พน้นวันนั้นหลวงพ่อไพศาลก็ท่านก็อยู่ในจุดจบนี่เหมือนกันพวกกับพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายก็ <c oughs> คงจะเดินตามหลังกันไปไเรื่อยๆไม่มีใครแพ้ใครไม่มีใครชนะใครไม่มีใครเสียเปียบใครในเรื่องมรณะภายัย วันนั้นวันนี้พวกเราได้มาร่วมกันแสดงน้ําจิตน้ําใจมาไปชุมเพลิงหลวงพ่อไพศาลพร้พอมหน้ากันและกับวงสาคณะญาติพี่น้องออทั้งน้องๆลูกหลานของท่านก็ามาจากกรุงเทพหลายท่านเหมือนกันมาเพื่อจะมาไปชุมเพลิงเพราะว่าการเผากันเนี่ยมีเผาเพียงครั้งเดียวที่นี้แหละไม่ได้เผาเป็นครั้งที่สอง เ <_ t iny> เอเผาเพียงครั้งเดียวเพราะนั้นถึงจะทุกข์ยากลำบากยังไงก็ต้องมาเผาประชมเพิงกันให้ได้วันนี้ก็ได้มาพร้อมกันอย่างหลวงพ่อลูครูบาอาจารย์พระสงฆ์ก็เหมือนกันอยู่ในป่าโรงพ์พงไพรโดยมากเป็นโดยมากจะเป็นสมภารจะมากกว่าที่มาร่วมโดยมากมาจากป่าวัดป่าเกือบทั้งนั้น เ, เห็นว่าเรื่องการมรณะเรื่อ ม, ม, มรณะ คือความตายโจรนี้ต้องพร้อมหน้าพร้อมตากันต้องช่วยกันเผาต้องช่วยกันจัดการอันนี้ก็พวกเราก็ได้มาพร้อมเพียงกันมากพอสมควรฝ่ายพระสงฆ์ตลอดถึงจัดทายญาติโยมทางฝ่ายบ้านเมืองท่านนายกท่านมาจาก อ, อําเภอ Nam So มาเป็นประธานให้จุดทุบเทียนเมื่อกี้นี้นะเอาต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะแสดงธรรมให้พวกเราท่านทั้งหลายได้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 วันนี้อาตมาจะได้พูดกล่าวสังเวียนยกระถาเกี่ยวกับการมรณภาพของพระหลวงพ่อไผ่สารที่ท่านมรณภาพเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาวันนี้เป็นวันประชุมเพลิงเป็นวันเผาศพของหลวงพ่อไผ่สารเพราะนั้นทางฝ่ายพระสงฆ์และของทางฝ่ายบ้านเมือง และกับพี่น้องประชาชนวงศาคณาญาติญาติโยมทั้งหลายได้มาพร้อมกันในวันนี้อีกไม่ ก, กี่นาทีข้างหน้าพวกเราก็คงจะประชุมเพลินนี่แหละชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อเกิดมายมมาทูตเขาก็เขียนวีซ่าให้พวกเราแล้ว ว่าท่านภัยสารเกิดขึ้นมาแล้ ว, ลวนะจะอยู่ไปนานสักเท่าไหร่วันดีคืนดียมบัตุดเขาก็เอาวีซ่าส่งมาให้แล้วก็ท่านภัยสารก็ได้รับวีซ่าจากยมมัตุจากนั้นท่านก็จะได้เดินทางกลับบ้านเก่าของท่านนี่แหละเดี๋ยวนี้ขณะนี้ท่านกำลังเดินทางากลับบ้านเก่า อีกไม่กี่นาทีข้างหน้าพวกเราก็จะส่งขึ้นเครื่องละจากนั้นไปท่านก็ไปตามลำพังไปคนเดียวเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาในโลกถึงจะรักกันก็จะไปรักมากเกินไปเกลียดกันก็จะไปเกลียดมากเกินไปถ้าเกลียดก็เท่านั้นถ้ารักก็เท่านั้นเพราะเหตุใดเพราะต่างคนก็ต่างมา ต่างคนก็ต่างไปอย่างที่หลวงพ่อไพศาลไปเนี่ยะท่านไม่ได้เอาใครไปด้วยท่านไปตามลําพังของท่านถึงท่านจะมาเกิดกับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องกับวงศานาญาททั้งมีทั้งภรรยาลูกหลานของท่านแต่พอท่านไปจริงๆท่านก็ไปคนเดียวพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันอย่างนี้แหละอย่างหลวงพ่อไพศาลเป็นตัวอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ด้วยกันทั้งหมดนี้ก็เหมือนกัน นี่แหละหลวงพ่อไพศาลเนี่ยท่านนอนอยู่ในหีบศพ น, น, นะเป็นตัวอย่างของพวกเราอีกสักวันหนึ่งพวกเราก็จะต้องเป็นอย่างท่านหลวงพ่อไพศาลไม่เป็นอย่างอื่นเว้นเสียแต่ เ, เกิดศึกสงครามแล้วก็เกิดเกิดภัยวิบัติเท่านั้นเองที่จะเป็นอย่างอื่นถ้าว่าถ้าบ้านเมืองปกติเมื่อโลงรับดับขันเมื่อบดลมแล้วเขาก็จะจับเข้าบรรจุเข้าหีบ เข้าลงอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นเพราะฉะนั้นชีวิตนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไม่ให้ประมาทไม่ให้ประมาทให้ระลึกถึงว่าอยู่เสมอว่าความตายน่าจะต้องมีแก่ตนอยู่เสมอเพราะฉนั้นพระพุทธองค์จึงบอกว่ามรณะเม่เอ่อมรณะเขาบอกมรณะเม่แปลว่าข้าพรเจ้ามรณงเม่ผวิสติน่ข้าพระเจ้าจะต้องตาย แน่นอนไม่ต้องสงสัยอีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องตายไม่ต้องสงสัยอันนี้แหละคือพระพุทธเจ้าให้ระลึกลุกคิดไว้อยู่เสมอชีวิตของพวกเราเป็นของไม่เพียงแท้แน่นอนท่านเปรียบเทียบเหมือนกับน้ําค้างบนใบบัวน้ําค้างบนใบบัวพวกเราก็คงจะเคยเห็นเออมันกลิ้งไปกลิ้งมากลิ้งมากลิ้งไป แต่ถ้าว่ามีลมพัดใบบัวเอียงขึ้นไปน้แล้วก็ตกจากใบบัวอันนี้ก็เหมือนกันพวกเราเกิดมาแล้วจะอยู่นานไม่มีใครรับประกันได้ว่าคนผู้นี้ท่านผู้นี้จะอยู่นานสักเท่าไหร่บางทีเหมือนกับท่านเปรียบเทียบกับหมดผลไม้มะม่วงหรือมะ ม, ม่วงหรือผลไม้อื่นใดออพอเกิดขึ้นมาพอเป็นดอกขึ้นมาแล้วกับเป็นผลเล็ก ก็ไม่มีใครรับประกันได้ว่าผลเล็กๆยังไม่หลน่นผลเล็กๆก็หล่นได้โตขึ้นมาก็หล่นได้หล่นไปตามลำดับจนผลที่สุดผลมะม่วงหรือผลไม้อะไรก็ตามไม่เคยอยู่ข้ามปีต้องหลน่นพอถึงกำหนดของมันแล้วก็สุกแล้วก็หลน่นอันนี้ก็เหมือนกันชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเบื่อเล็กๆตายก็มีพอเป็นเด็ก วิ่งได้ตายก็มีพอเป็นเด็กหนุ่มสาวตายก็มีออพอมีครอบครัวตายก็มีตายมาตามลำดับลำดับแต่ถึงยังไงก็ตามชีวิตของพวกเราทุกๆ ท, ท่านไม่มีใครที่จะหลีกหลี่หนีพ้นมรณะภัยตัวนี้ไปได้เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมคุณงามความดีสังสมบุญกุศลเอาไว้นะ บุญกุศลตัวนี้แหละที่จะเป็นเครื่องพานาพวกเราไปสู่ปรโลกภายภาคหน้าถ้าพวกเราดิ้นถ้าพวกเรามีบุญมีกุศลในจิตในใจแล้วนั่นแหละพวกเราจะตายเวลาไหนก็ไม่เดือดไม่ร้อนออไม่มีความทุกข์แต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้เตรียมการเอาไว้นั่นแหละพวกเราจะต้องออคิดหนักเหมือนกันว่าตายแล้วจะไปยังไง<ม>ที่ไหน ตายแล้วศูนญหรือตายแล้วเกิดพวกเราเพยังไม่มั่นใจถ้าว่าพวกเราตายแล้วเกิดถ้าพวกเราสร้างคุณงามความดีพวกเราก็มั่นใจว่าบุญกุศลต้องเกือกูลหลุนแต่ภาพว่าตายแล้วศูนยญพวกเราก็ไปต้องเดือดร้อนอะไรเพราะเราสมัยเมื่อเรามีชีวิตอยู่เราก็สร้างคุณงามความดีอยู่แล้วไม่ได้ให้ใครเดือดร้อนผุนไว้อะไรเพราะฉะนั้น การสังสมคุณงามความดีไว้ดีกว่าเพราะเราไม่มั่นใจว่าในอนาคตนั่นเป็นอย่างไรแต่ตามไม่จริงถ้าว่าผู้ปฏิบัติธรรมนะผู้ปฏิบัติธรรมผู้ภาวนาพูดง่ายๆแต่ผู้ฝึกหัดกิตตภาวนาอย่างครูบาอาจารย์ที่ท่านทั้งหลายนั่งอยู่ที่นี่นะที่เป็นพระเป็นเกือบเป็นร้อยองค์เนี่ยถามท่านหน่อยสท่านมั่นใจว่าตายแล้วต้องเกิดอีกแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่น หลวงพอเนี่เชื่อร้อยทั้งร้อยร้องั้นกน็มีเท่าไหรเชื่อทั้งหมดแล้วตายแล้วต้องเกิดอีกเพราะเหตุไรไม่ได้เชื่อเพราะอย่างอื่นเชื่อเพราะการปฏิบัติธรรมเพราะพระตเจ้าท่านบอกท่านสอนท่านผลฟ้าแล้ว เ, เมื่อเดือนปเพนวันตันสรุปธรรมเพราะพระติจ้าบอกว่าปุพเพในวาสานุสติญาณเราร ะ, ะลึกชาติผลหลังได้เพราะฉะนั้นพวกพระทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติ ท่านนั่งภาวานาจิตใจของท่านเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตใจของท่านเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วนะท่านจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วต้องเกิดอีกแน่นอนในพ้อะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าตายแล้วต้องเกิดอีกเราจะไปทํากรรมชั่วไม่ได้เพราะพุทธเจ้าทว่าถ้าว่าใครก็ตามที่ทางกรรมไว้ไม่ดีนะอนาคนั้นเขาจะจะเกิดไปในทางไ ป, ไปเกิดในที่ไม่ดี ไปเกิดไปอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานช้างมา้าบวกวายหมูหมาเป็ดไก่ก็ได้เพราะว่าเขาทํากลัมไว้ไม่ดีแต่ถ้าว่าใครก็ตามถ้ากลัมทํากลัมไว้ดีแล้วเขาจะไปสู่สุขติโลกสวรรค์ไปเกิดเป็นมนุษย์ได้โดยง่ายเพราะเหตุใดเพราะเขาทํากลัมเขาสร้างบุญกุศลเอาไว้ในหลักของพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกท่านเปรียบเทียบมากมาย ในเรื่องตายแล้วเกิดด้วยตายแล้วสูงในหลักของพุทธศาสนานารกสวรรค์อย่างนี้ถ้าหากว่าลบนรกสวรรค์ออกออพวกเทพพวกพาดาทั้งหลายออกพระไตรปิฎกไม่สมบูรณ์เกือบหมดทั้งเล่มพระไตรปิฎกของพระพุทธเจา้าเพราะนั้นพระพุทธเจา้าพูดในสิ่งเหล่านี้มากต่อมากเรื่องนรกก็ดีเรื่องสวรรค์ก็ดีเรื่องพรหมโลกก็ดี เรื่องนิพพานก็ดีเรื่องบุคคลที่จะไปสู่สุขคติหรือจะไปทุกขคติก็ดีการดำเนินชีวิตเพื่อจะไปสู่สุขคตินั้นทำอย่างไรผู้ที่จะไปทุกขคตินั้นทำอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านก็บอกผู้ที่จะไปสู่สุขคติน่ท่านบอกว่าให้มีทานให้มีทานให้เสียสละเนอให้เป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางให้เป็นผู้เสียสละคือมีใจกว้างขวางทาบุญทาทาน ถ้าว่าคนมีทานเกิดมาพบนิชาตนี้ก็มีเพื่อนมีฝูงมีวงสาคณาญาต์ใครใครก็ให้ความยอมรับว่าเป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางอันนี้คือทานศีลคื อ, คอรักษากายวยาจาให้เรียบร้อยไม่ให้มีโทษอย่างที่ลุงพ่อได้กล่าวตอนที่ให้ศีลว่าพวกเราท่านทั้งหลายต้องการความสุขความเจริญในการเป็นอยู่ การอยู่ร่วมกันหนึ่งต้องปฏิบัติตนทางต่อไปนี้อย่างที่ว่านั้นนะ่ะเอ่อเคยศิลคือสมาธิก็คือทําจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งเมื่อจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบจิตใจของเราเป็นสมาธิดีแล้วพวกเราจะรู้ได้ว่าตายแล้วเกิดได้ตายแล้วศูนย์จะรู้ได้ด้วยตนเองเพราะเหตุไรเพราะว่าเราทําจิตให้สงบแล้วเราจะแยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากกายแยกผู้รู้ออกจากกาย แยกกายออกจากผู้รู้มันแยกกันโดยอัตโนมัติมันรู้ได้ด้วยตนเองในขณะที่จิตสงบใจเป็นส่วนหนึ่งร่างกายเป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันแยกได้อย่างชัดเจนเพราะนั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบททัติธรรมท่านจึงเชื่อมั่นว่าตายแล้วไม่สูนสิ่งที่ให้ไม่สูนนั่นคืออะไรคือใจคือดวงวิญญาณนั่นแหละทีนี้ถ้าหากว่ามาพูดถึง คนที่ทํากรรมชั่วใช่ไหมทกรรมชั่วนั้นไปสู่ทุกขติคือคนไม่มีบาปไม่มีบุญไม่เชื่อกำเชื่อผลของกรรม เ, เขาก็ทําตัวเป็นไม่อยู่ในกรอบของศีลธรรมสิ่งไหนที่เป็นกรรมชั่วเขาทาหมดทุกอย่างอบายยมุกทุกประเภทเสุรานารีอะไรก็ตามาที่เขาฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าซีตีสง สิ่งไหนก็ตามที่เขาไม่เชื่อว่าจะเป็นบาปคนที่ไม่เชื่อว่าจะเป็นบาปเขาจะต้องทําบาปได้ทุกอย่างเพราะเหตุไร เ, เพราะเขาไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีเพราะฉะนั้นเขาจึงทําตามสบายใจของเขาแต่เมื่อทําตามสบายใจของเขาแล้วบาปกรรมไม่ได้ยกเว้นสําหรับวเขาไม่รู้นะเขาไม่รู้คนจะยกเว้นให้เขาไม่ใช่เหมือนกับคนตาบอดคนตาบอดเดินไปไ ป, ไปตกเหวเออเหวอ๋อ มันไม่ควรจะตกหรอกเพราะว่าคนคนนี้มันคนตาบอดเอจะไปตกเหวได้ยังไงไม่ใช่อย่างนั้นเหวก็คือเหวอย่างเก่าตาบอดเดินไปตกเหวมันก็ตกได้ตกบอมันก็ตกได้เอไปชนต้นไม้มันก็ชนได้อจะไปเตะต้นไม้มันก็คนตาบอดก็เตะมันก็ถูกต้นไม้อย่างเก่าเออคยเห็นอะไรเพราะว่าต้นไม้ไม่ได้หลีกคนตาบอดอันนี้ก็เหมือนกันบาป กรรมบาปกุศลทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้หลีกคนที่รู้หรือไม่รู้ถ้าว่ารู้แล้วนั่นแหละจึงหลีกเล้นไม่ทำแต่ถ้าว่ารู้แล้ ว, ลลล ไ, ม ว, ลวไม่ควรทําต่ถ้าว่าคนไม่รู้แต่ทำลงไปก็ได้รับบาปกรรมอย่างที่ตัวเองได้กระทำไว้เพราะฉะนั้นในครั้งพระพุทธเจ้านะมีพราม์ท่านหนึ่งอยู่ที่กรุงสาวัตถีนะเออท่านก็เป็นเศรษฐีท่านหนึ่ง เป็นผู้ล่ำรวยมากแต่ตอนนี้ท่านมีลูกชายอยู่คนเดียวลูกชายของท่านท่านก็พยายามสอนลูกชายของท่านให้ประหยัดประหยัดคือถ้าหากว่าตัวเองสอนตามลาพังก็กลัวลูกชายจะไม่เชื่อว่าไงเถอะคือตั้งเป็นทีมขึ้นมาให้เขาไปไปเสียมสอนอไปเสียมสอนคณาญาติพี่น้องเอาไว้ว่า เวลามาแล้วก็ให้มาสอนลูกชายให้พูดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะลักษณะอย่างนั้นแหละแต่เป็นคําพูดเป็นคําสั่งของพ่อทวาพ่อเนี่ยถ้าพูดขึ้นมาบ่อยๆนะพออาปากึ้นมาลูกชายก็คงจะเดินหนีเหมือนกับเด็กสมัยทุกวันนี้แหละเด็กสมัยทุกวันนี้ก็เหมือนกันพ่อแม่จะสอนอะไรให้ฟังเลยเด็กเขารู้ก่อนแล้วงั้นเขาเดินหนีแล้วพอพ่อแม่อปาปาก็คำพูดพูดคาเก่าว่ากันเถอลูกแล้วจะไปเที่ยวจะไปเล่นนะั่งพออาปากึ้นมาเขาเดินหนีก่อนแล้วงั้น อันนี้คนโบราณเขาคงจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันลูกเศรษฐีนะเออทีนี้ท่านก็ตั้งทีมขึ้นมาให้มาสั่งสอนทนีนี้ตั้งทีมขึ้นมาสั่งสอนแนละ้วทนีนี้ลูกชายจะเป็นหนีได้อย่างไงเพราะเหตุว่ามีญาติผู้ใหญ่มาใช่ไหมพอญาติผู้ใหญ่มาแล้วก็มาพร้อมหน้ากันกันเรียกมาพอเรียกกินเลีย้ยงอะไรเสร็จแล้วก็มากับมาสอนนะอบอกว่าเออลูกเออล้านเออให้ประหยัดนะ ถ้าไม่ประหยัดเดี๋ยวสมบัติมันหมดไปนะยาหยอดตานะ่ยหยอดทีละหยดละหยดมันก็ยังหมดได้ไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นจอมปลวกเห็นไหมปลวกตัวเล็กๆมันข้าบขึ้นมาทีละน้อยละน้อยมันก็ยังพอกคุณเป็นจอมปลวกใหญ่เมื่อเลิศเวลาได้เพราะนั้นลูกต้องประหยัดต้องพยายามมันขยัน นะหลานนะอันนี้คือสอนอยู่บ่อยๆ บ, ยบางงันเถอะเกือบจะว่าอาทิตย์ทัครั้งสองามครั้งที่สอนลูกชายคือให้ฝังหัวเอาไว้บางงันะทีนี้ต่อมาทีนี้แต่พ่อไม่ต้องพูดถึงละไอพ่อที่เป็นพรามที่ที่เป็นเศรษฐีเน่ยเตศสีตั้ง80ดิบโกรธนะั่นไม่ใช่ธรรมดาบางัันเถะแต่แต่มีเงินมากเองสอนลูกตัวเองก็ต้องประหยัดต้องประหยัดให้ลูกเขาดูกัน คำว่าเสียสละทำบุญทำทานไม่เคยมีพระพุทธเจ้าพระหรันสาวกอยู่ในกรุงสาวัตถีบินทบาทเต็มไปหมดไม่มีคําว่าใส่บาตร ท, ทาบุญเสียสละไม่มีอมีแต่เก็บลูกเดี่ยวมิแต่ธมาค้าขายออกจากธรมาค้าขายในประเทศกับค้าขายต่างประเทศเมีคลาวานล้อเกวียนไปขายต่างประเทศจากนั้นเก็บสมบัติเข้ามาในคลังอของเศรษฐีอ อันนี้ก็คือการทํามาค้าขายของเศรษฐีทําอย่างนั้นเป็นประจําแต่ทีนี้ท่านก็เห็นพวกเงินทองพวกตะกูลต่างๆเขาเอามาขายามาขายให้ทั้งหมดเขาจะเจ๊งเขาจะล่มจมเนะี่ยเขาเอาพวกร อ, องเท้าทองคําบ้างมงกุฎทองคําบ้างากําไลแหวนทองคํบ้างเขาเอามากองมากองให้ตูกเศรษฐี ลูกเศรษฐีที่เป็นลูกชายเนี่ยก็เห็นกับพ่อนะ เ, อเห็นกับพ่อโอ้เขากองใหญ่เบ้อเลิแต่แต่ต่อมาหายเงียบไม่ได้บอกให้ลูกชายว่าเอาไปไหนทองเหล่านั้นว่างันแต่ต่อมาก็มากองขึ้นมาอีกจากนั้นก็หายเงียบคือพ่อเนี่ยพอตกกลางคืนม า, าว่างๆแล้วก็ให้เขาไปขุดอพอขุดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ เอาคนอื่นห่างๆมาขุดว่างั้นเถอะพอขุดเสียเลือดเรียบร้อยแหละกับตัวเองกันขนของพวกนั้นนะไปใส่ตุ่มใส่โอง่งเนียเสร็แล้วก็บรรจุลงฝังเรียบร้อยจากนั้นกับกบให้เรียบร้อยเนีเป็นจุดเป็นจุดในบริเวณของบ้านเศรษฐีมันเป็นบริเวณกว้างใช่ไหมเนะีฝังไว้ฝังไว้เนีสรุปแล้วก็คือตั้งห้าหลุมว่างันเถอะห้าหลุมที่เขาฝังขุมทรัพย์เอาไวนะ้น่ย จากนั้นเนี่ยคนขี้ตะนีทีเหนียวขนาดนั้นคิดว่าจะไม่ตายก็ตายเป็นเหมือนกันนะเอะขนาดเศรษฐีไม่เคยเสียสละไม่เคยแบ่งฟันใครเลยเขาก็ตายเป็นเหมือนกันอพอตายไปแล้วเธอเองเขาไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเขาก็ไม่ได้มีบุญกุศลแม้แต่น่อยหนึ่งไม่ได้ติดตามเขาเลยว่ากันแต่เพราะามีแต่กรรมทํากรรมชั่วใช่มากกว่าเพราะการทํามาค้าขายก็ย่างว่าทั้งเขียนทั้งตีทั้ง ตบทั้งต่อยทั้งลงโทษใครต่อใครในการทํามหาเลี้ยงชีพพวกเราขุนคงจะเคยเห็นถ้าหากว่าไม่ทําอย่างนั้นเขาก็ไม่เชื่อฟังใช่ไหมละ่ะเพราะนั้นเจตีก็ต้องทําลักษณะอย่างนั้นพอ ก, การทํามาค้าขายพผลีนสุดพอเขาตายไปไปเกิดเป็นลูกจันทาร์สมัยนั้น ค, คือจันทาร์พวกเราขุนคงจะไม่เข้าใจนะเขาว่าจันทาร์ทำนีนะ่คือประเทศอินเดียนะเขาแบ่งวันนาเป็นสี่สี่วัน น, นะ กษัตริย์กษัตริย์ก็คือพระเจ้าแผ่นดินพราม์พราม์ันถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับพวกที่กหับดีพวกทําพิธีกรรมถ้าจะว่าฝ่ายพระสงฆ์นี่ก็ไม่น่าจะผิดเนาะคำว่าพราหมเนี่ยเป็นผู้เรียนกฎระเบียบเป็นผู้เรียนทางศ า, าสนาเรื่องจิตวิญ ญ, ญาณลักษณะยอย่างนั้นเนี่ยคำว่าพราม์แพทย์ก็คื อ, คอแพทย์ก็คือพวกทํามาค้าขายาพวกขายสิ่งของก็เรียกว่าแพทย์ พวกกติกรรมพวกทำมาค้าขายหรือพวกแพทย์เขาว่าสูตรคือสูตรในจันทานนี่แปลว่าพวกขอทานพวกทํางานเป็นผลรับจ้างในลันกษณะอย่างนั้นแหะเพราะฉะนั้นอินเดียเขาแบ่งแยกเป็นสี่ประเภทในประเทศของเขากษัตริย์พรพาหมณ์แพทย์สูตรนะแต่ตอนนี้เศรษฐีคนนี้พอตายเราไปเกิดเป็นลูกของจันทานลูกของอคน ไอ้ hey, จันทานพวกพวกสูตรว่า ง, งั้นแหละตอนี้พอเกิดเข้าไปอยู่ในท้องแม่นะพอไปอยู่ในท้องแม่เท่านั้นแหละตระกูลนั้นเป็นตระกูลพันไอ้พันพันครอบครัวว่า ง, งั้นแต่ตระกูลนั้นพันครอบครัวแต่เนี่พอไปเกิดในตระกูลหนึ่งคนในพันครอบครัวนั้นอนะ่ะยากจนลงทุกคนเลยหาข้าวจะกินก็ไม่ได้เลยไปทํามาค้าขายก็จนไปหมดว่า ง, งั้นแต่ ผลที่สุดก็เลยเขาว่าเอคนอัปรีจันไรเกิดในกลุ่มของพวกเราแล้วลักษณะอย่างนี้เขาก็เลยแบ่งแบ่งกลุ่มกันแบ่งครึ่งกันว่ากันะแบ่งกลุ่มละห้าร้อยพอแบ่งละห้าร้อยนะไอ้กลมที่อยู่อยู่ห้าร้อยเนี่ยไม่มีอันจะกินอีกยากจนลงไปอีกเอพอมันคนอปรีจันไรมาเกิดในตระกูลว่ากันเอะเขาก็แบ่งกันอีก คนน250ั้นสองร้อยห้าสิบเทอแบ่งลงมาแบ่งมาจนรู้ได้ว่านี่แหละครอบครัวนี่แหละพายากจนพาพวกเรายากจนเขาก็ไล่ออกจากบ้านเท่นี่พวกกลุ่มจันทานเขาไล่ออกจากบ้านครอบครัวในะสองผัวเมียในกัมีลูกกินในท้องออกจากบ้านไปต่อมาเขาเกิดคลอดลูกคลอดลูกออกมาเอ่ลูกของลูกชายของเขาเนี่ยผิดปกติ ตาเป๋ไปคนละข่างหูไปคนละทางปากก็บิดเบี้ยวจมูกก็บี้ลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้นแต่คือสรุปแล้วก็คืออาการอัปลักษในร่างกายของเขาร่างกายของเขาอัปลักษณ์ผลที่สุดพ่อแม่ไปถึงยังไงก็เป็นลูกชายของเขาก็าก็ต้องเลี้ยงดเูเลี้ยงดูลูกชายของเขาพอต่อมาพอเป็นหนุ่มขึ้นมาพอจะเลี้ยงตัวเองได้พ่อแม่ก็บอกว่าเอ้ยลูกเอ้ย พ่ออุตส่าห์เลี้ยงเจ้ามาเจ้าก็อยู่ในท้องกับทำให้พ่อแม่ลำบากพอเจ้าคลอดออกมาแล้วก็ลำบากพอเป็นเด็กขึ้นมากับพ่อแม่ไปขอทานตะก่อนก็มีอยู่มีกินพอเจ้าเกิดมาพาเจ้าไปถ้าวันไหนพาเจ้าไปคนนั้นวันนั้นจะไม่จะไม่มีใครให้ทานเลยว่าไงเอแต่ถ้าว่าไปตามลำพังก็จะพอได้กินบ้าง อ, อยนั้นจริง เจ้าพ่อแม่เลี้ยงเจ้ามาพอสมควรแล้ว เ, เจ้าออกไปหากินตามลำพังเทอนั้นลูกเอ้ยพ่อแม่ก็เลยเอากะเบือใส่มือให้เขาพรามเท่านั้นไอ้ลูกชายของเขาก็ได้ไดกะเบือในมือเขาเขาก็ไปหาขอทานกินอดบ้างอิ่มบ้างไปตามประศีภาษาเด็กระวงางงานเถอะพอที่นี่เดินไปเดินไปเขาก็ไปเห็นบ้านของเขาเ บ้านจิริวัฒเศษถีเนะี่ยที่เป็นลูกชายของเขาเนะ่เขาก็เห็นเออันนี้บ้านของเรานะเพราะวันน่งเศรษถีคนนี้พอตายไปเขาคงพญายมพะบานคงจะลืมเอาไ้ผ ล, ลไม้ลืมลืมชาติให้กินก็มัง่งเนีแต่คนเขาว่าบางคนถ้าใครตายไปแล้วเวลาจะไปที่ไหนยมยมพบานเขาจะเอาผ ล, ลไม้ลืมชาติให้กินนะกินเข้าไปแล้วลืมแลว้วงั้น ตอนี้เศรษฐีคนนี้คงจะเอาคงจะลืมเหมือนกันเถอะลืมเอาผ ล, ลไม้ลืมชาติให้กินตอนี้เขาก็เดินไปเดินไปเอออันนี้บ้านของเรานี่นาเพราะงนั้นนะเขาก็เลยเดินเข้าไปเดินเข้าไปพอปลอกก็ไม่เห็นเขาทีนี่พวกรักษาประตูบ้านเศรษฐีเดินเข้าไปถึงด่านที่สเหมือนกันเถอะพอไปถึงด่านที่สีที่นี้เด็กลูกหลานของเศรษฐีเห็นเข้าทีนี่เขาก็เห็นเด็กเหมือนกับปีศาจใช่ไหมนะเออมันอัปลักษณเนี่ย หูตาเป็นคนละทิศละทางเขาล้อโขงร้องไห้เขากลัวนะออพอกลัวพอปลอก็ เ, เลยจับสองแขนดึงออกไปแล้วเขา ก, บโบ ก, าากา็โบยหลังอีกต่างหากเพราะงั้นเด็กโบยหลังอีกต่างหากในช่วงนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จไปพอดีนะไปบินธบาตพอดีกับพระอานนท์พระพุทธองค์เห็นเขาโบยพวกลูกน้องศิริวัฒนะ์เนี่ยโบยหลัง ไอเด็กหนุ่มคนนั้นที่อัปรักษณ์นะั่นพุทธองค์บอกว่าท่านก็จำเรืองดูพระอานอนท์บอกว่าอานนท์ น, น, นี่เด็กคนนี้เป็นเศรษฐีบ้านหลังนี้มาเกิดนะเออนอนนท์เศรษฐีนะอ น, อนนท์เศรษฐีมาเกิดนี่นะอ น, อนนท์เศรษฐีด้านนี้มาเลพราะพุทธองค์บอกพอพระอานอนท์ทราบพระอนนท์ก็เลยบอกให้บอกว่าให้ศิลวัตรเศษเรษฐีลงมาหาหน่อยมาพบหน่อยจากนั้นศิลวัตรเศรษฐีก็เลย ลงมามากราบพระพุทธเจา้าพระพุทธองค์บอกว่านี่นะศิริวัฒเศษฐีนี่แหละคืออานน์เศษฐีพ่อของท่านโอ้โหแต่นี้ศิร <s illy> ิวัฒเศษถีนี่ก็ค่อยๆโมโหไม่พอใจแล้วบอกว่าเออจะหาว่าดูถูกว่าเป็นพ่อของข้าได้ยังไงลักษณะอย่างนี้พ่อของข้า ถึงยังไงเขาก็เป็นเศรษฐีเขาก็ไม่ได้เบียดเบียนใครถึงจะตายไปเขาคงจะไม่ถึงขนาดนี้กังวังฮะพระเถรองบอกว่าอย่าเลยชินิวัตให้ท่านเลี้ยงดูเขาให้ดีนะคือหลักพิสูจน์เหมือนกันแหละหลักพิสูจน์ก็คือเจ้าจงเศรษฐีต้องเลี้ยงเด็กคนนี้ให้ดีอาบน้ําให้ดีอาหารให้ดีอะไรทุกอย่างให้ดีคูดวาจาที่ไพรเราะเรียกว่าพ่อพ่ออยู่อย่างนั้นตลอดนะวะ เ, เรียกว่าพ่อพ่อจะตลอด ตอนี้พอเขาใจดีแล้วถูกไหให้ถามเขาน่าบอกไอทองคําที่ที่พ่อเอาไปฝังไว้นะ่ะเอาไปฝังไว้ที่ไหนเอ่ที่มีรองเท้าทองคําบ้างมงกุฎทองคําบ้างเอ่่ยกไรบ้างเอ่ที่หม้อที่อะไรที่ผมเห็นนะั่ะไอพ่อเอาไปฝังไว้ที่ไหนเอ่บอกผมด้วยผมกําลังยากจนนะเดี๋ยวเนี้ยนี่ให้ใครว่าพูดอ่อนน้อมถ่อมตน เออกับไอ้ชายอั ป, ปลักษ์เด็กอั ป, ปลักษ์คนนั้นเดี๋ยวเขาจะไปบอกให้ทีนี้สิริวัฒเศรษฐีก็เชื่อตามที่พระพุทธเจ้าแนะนําจากนั้นเขาก็เลี้ยงดูปูเสือเด็กอั ป, ปลักษ์นั้นอย่างดีไวากันแต่พอเลี้ยงเด็กก็เป็นที่พอใจนะแล้วทีนี้ก็เศษฐีก็เลย ه, เข้าไปถามว่าพ่อพ่ อ, อ, อที่พ่อฝังขุมทรัพย์นั้นไว้ที่ไหนบอกผมด้วย เด็กเอาประคนนั้นก็ไปก็เดินไปก็ไปชี้ให้ดูเนี่ยหลุมหนึ่งะนั้นหลุมหนึ่งนะนั้นหลุมหนึ่ ง, น ะ, น ง, น ะ, นงะเออสิริวัฒเศรษฐีก็เลยขุดหลุมลงไปแต่และหลุมโอ้เจอทองคําที่พ่อเอาไปฝังไว้น่ะเต็มไปหมดทั้งห้าหลุมเลยว่างั้นเถอะเออเศรษฐีนี่ก็ไม่รู้เงินเท่าไหร่ว่างั้นเถอะที่พ่อเอาไปฝังไว้เพื่อไม่ให้ใครๆเห็นไม่ให้ลูกชายที่แรกก็กลัวลูกชายจะเอาไป ใช้อิรูช่วยแชก์เา ง, งั้นแหะนั่นแหละอันนี้จิริวัฒเศรถีเห็นแล้วอย่า ง, งานั้นล้วโอ้โหพระพุทธเจ้าเป็นผู้สยามภูรู้แจ้งโรคจริงๆท่านมีเมตตาจริงๆท่านในมาโปรดถึงสถานที่มาถึงบ้านของเราจากนั้นจิริวัฒเศรษถีก็เลยเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าไปฟังเทศพระพุทธเจ้าไป เ, เชื่อฟังมดที่นี่พระพุทธเจ้าตรัสอะไรจากนั้นเขาก็ได้สําเร็จพระโสดาบันจากนั้นก็เป็นสัมมาทิฏฐิ เชื่อบาปเชื่อบุญว่าตายแล้วไม่สูงตายแล้วเกิดอีกสิ่งชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะสิ่งชั่วกำชั่วนั้นจะต้องเผาผ่านเมื่อภายหลังอย่างที่โอวาทปฏิโมของพระทั่นบอกว่าอัคตังลุกตังเสโยปัจฉาตปฏิลุ ก, กตั ง, งตะะตกรำชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรำชั่วนั้นย่อมเผาผ่านเมื่อภายหลังถ้าใครทํากรรมไม่ดีเอาไว้กรรมนั้นจะตามสนองเมื่อภายหลัง เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้ทำแต่กรรมดีกรรมชั่วอย่าทำถ้าทำกรรมชั่วแล้วกรรมชั่วนั้นจะตามสนองพวกเราแต่ทุกพวกเราทุกคนก็เถอะเออพระพระพุทธเจ้าท่านแนะนําสั่งสอนว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้บพบพระพุทธศาสนา อ, อ, อย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้เป็นผู้มีศีลธรรมแต่ ก, ก็พร้อมกันกออ็อย่างเราตาาคตเนี่ยได้บเพ็ญอยู่ในป่า ถ, ถึงหปี ไปค้นคว้าหาหลักธรรมก็รู้แล้วได้ตัดสัตว์ธรรมคือใจของพวกเราผู้รู้นามธรรมตัวนี้แหละจะไปเกิดในภพภูมิต่างๆการที่จะไปเกิดได้นั้นไปเกิดเพราะอะไรทําไมจึงไปเกิดพระพุทธเจ้าว่ามีเชื้อเชื้ออยู่ในใจถ้าเป็นเหมือนเมล็ดข้าวก็มันมีเชื้ออยู่ในนั้นใช่ไหมมันมียางมันมีตา ม, มันมีเปลือกออมีเมล็ดข้าวมันมีเปลือก มันมียามันมีตาพร้อมถ้าไปถูกอากาศเชื้เ อ, อมเมล็ดข้าวนะันก็งอกเงยขึ้นมา เ, เป็นต้นเป็นลังขึ้นมาขยายผลออกไปอันนี้ก็เหมือนกันท่านบอกวัาใจของมนุษย์นี่มันมีกิเลสคือราคะโทสะโมหะอยู่ในจิตใจเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายอยากจะไม่อยากจะเกิดอีกจะจะดับก็คือชำระใจให้หมดเชื้อคือเชื้อคือราคะโทสะโมหะ ออกจากจิตใจแล้วจิตใจจะ บ, บริสุทธิ์ถ้าพวกเราเไม่อยากจะให้ข้าวมันเกิดใช่ั้ยเราก็เอาไปสีไปกระเทาะเปลือกมันออกซักจากนั้นเอาไปนึ่งส้กเอาไปตากแดดสักะเนียหมดเชือ้อพอมะมะเมล็ดข้าวหมดเชื้อเท่านั้นแหละเอาไปปลูกที่ไหนมันก็ไม่เกิดอันนี้ก็เหมือนกันใจของเราถ้าหากชาละกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจแล้วจิตใจ บ, บริสุทธิ์แล้ว จิตใจตรงนั้นจะไม่เกิดในภพภูมิต่างๆแต่ว่าพวกเรายัางมีเชื้ออยู่มีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ในจิตใจพวกเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารถึงยังไงก็ตามถึงจะเวียนว่ายในเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารก็ตามอย่าทํากรรมชั่วให้ทําแต่กรรมดีเพราะทากรรมชั่วนั้นกรรมชั่วจะต้องพาไปในสถานที่ทุกข์ยากลําบากอาจจะไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่ก็ไดถ้ถ้าเราทํากรรมชั่ว แต่เราทำกรรมดีสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจแล้วพวกเราจะมีแต่ความสุขความเจริญงอกเงยงอกงามเป็นอนันตาการเพราะนั้นหลวงพ่อได้กล่าวภาษิตเบื้องต้นว่ามรณงเมภาวิสติความหมายก็คือว่าพวกเราทุกๆ ท, ท่านไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีพ้นจากมรณะภัยไปได้ เมื่อเกิดมาแล้วพวกเราจะไปอยู่ในสถานที่ใดอยู่ในกลางมหาสมุทรอยู่ในกลางอากาศอยู่ในดวงดาวดวงพระอังคารก็ตามอยู่ในลืบเขาไหนก็ตามอยู่ในป่ารงพงไพลึกขนาดไหนก็ตามพญามัจจุราชจะต้องตามทันด้วยตามหาพวกเราเจอทั้งหมดเพราะนั้นชีวิตของพวกเราไม่มีใครแพ้ใครชนะไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันเกิดมาแล้ว เสมอภาคกันคือความตายเพราะนั้นให้พวกเราสั่งสมบุญกุศลเอาไว้ถ้าพวกเรามีบุญมีกุศลในจิตในใจแล้วถึงจะตายก็ตายดีไปสู่สุคติไปสู่ในสถานที่ดีแต่ถ้าพวกเราไม่ได้ผขลขวายไม่ได้ทำไม่ได้คิดไม่ได้อ่านเอาไว้ไม่ได้เตรียมการเอาไว้เมื่อล่มหายตายจากชาตินี้ไปแล้วพวกเราจะไม่มีที่เกาะที่พึ่งนะตายแบบลอยๆตายไปแล้วก็ไปหาเกิดอีก เข้าท้องหมูหมากาไก่ไปเพราะนั้นพวกเราทุกท่านได้เกิดมาในภพพระพุทธศาสนาได้ฟังธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมคาสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อได้นำมากล่าวนี่ไม่ใช่คําพูดของหลวงพ่อไม่ใช่คําเห็นของหลวงพ่อเป็นความเห็นหรือเป็นคําพูดของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสเต้กล่าวไว้ได้นำธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาเผยแผ่ มาแนะนำให้พวกเราให้ได้ยินได้ฟังจากนั้นพวกเราขอให้ใช้จิใช้ปัญญาไตรตรองด้วยเหตุและผลจากนั้นเมื่อรู้แล้วขอให้นาไปประพฤติปฏิบัติพวกเราจะประสบแต่ความสุขความเย็นใจด้วยอานาจคุนภาษีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใด อยู่ในกรอบของศิลธรรมเขาขอให้สำเร็จสมความมุ่งมาตนปราถนาทุกประการเทิน